สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้ที่ใจดับที่ใจก็ดับหมดเลยดับดับสวิตใหญ่ดับก็เอาดับความยึดมั่นถือมั่นดับความหลงไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยปล่อยวางหมด ดับความอยากความปรารถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่เอาอะไรไม่ยึดถืออะไรไม่ปรารถนาที่จะมีตัวเราออกจากก่างของเราไปเมื่อเราตายแล้วไปเกิดได้พบไหนทัน้งสิ้นตายแล้วไม่ไม่ปรารถนาที่จะมีตัวเราออกจากก่างเราไปเอาอะไรไปไปเอาบุญไปสมรวยบุญกุศลจะไปเกิดเป็นอะไรไม่เอาทาั้งสิ้นดับสนิทดับความปรารถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือดับความอยากความปรารถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือ เห็นตัวเนี้ยเห็นใจของตัวเองอ่านใจตัวเองให้ขาดอยู่ตลอดเวลาดับความอยากความปรารถนาสนิทไม่มีตัวนเหลือตายแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ปรารถนาจะเหลือตัวตนของเราออกจากร่างเราไปเอาผลบุญไปไปเกิดอะไรไปเป็นอะไรไปสไวยอะไรหรือในขณะปัจจุบันก็ไม่มีตัวเราจะไปเอาอะไรไปได้อะไรไปถึงอะไรไปไปเป็นอะไรไม่มีตัวเราจะไปเอาอะไรเป็นได้อะไรไปเป็นอะไรไปถึงอะไร ใจยังไม่ไม่ดับความปรารถนาไม่ดับเอาว่าจะมีตัวเราไปเอาอะไรไปได้อะไรไปเป็นอะไรจะพยายามมีพยายามจะไปถึงอะไรอันนี้มันจะมีกิเลสตัณหามีความอยากความปรารถนาก็ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้อ่านใจตัวเอง่ายขาดต่อใจยังมีความอยากความปรารถนาสิ่งใดก็ดับดับที่ใจดับที่ใจก็ดับหมดเลยดับที่ใจได้ก็ดับหมดดับสวิตใหญ่ ดับความอยากความปารสนาที่ใจได้ก็ทุกอย่างก็ดับหมดความเป็นตัวตนก็ดับหมดตายแล้วก็ไม่มีตัวตนที่เป็นกายโป่งแสงรูปร่างเหมือนตัวเราก็ะเดนออกมาให้เป็นทุกข์ไม่มียมมาทูดเอาสามง่ามแทงเขาไปไม่ต้องไปรับบาปเพราะกรรมอีกต่อไปเป็นโมฆะกรรมไปหมดสิน้นจิตวิ ญ, ญญาณดับไปเหมือนด่างเปลวไฟที่ตินเชื้อเหมือนด่างเปลวไฟเทียนที่จุดเทียนอยู่ต่อหน้าแล้วก็ถูกเป่าดับพึบหายไปนั่นแหละไม่เหลือไม่เหลือตัวเหลือตอนให้ใครมาลากเขาไป ก็กรรมทั้งหลายก็เป็นโมฆะกรรมไปหมดสิน้นจบลงเนี่ยดับที่ใจก็จบที่ใจจริงๆอ่ะจบที่ใจดับที่ใจดับความอยากความปรารถนาในใจทั้งหมดแต่ยังอยากยากังปรารถนาจะไปเอาอะไรไม่แต่อยากจะไปปรารถนาไปเอาความสุขทุกไม่มีมีความอยากความปรารถนาไปจะเอาใจโปร่งโล่งเบาสบายจะมีความอยากความปรารถนาจะเอาจิต ด, ดีจะมีความปรารถนาจะไปเอา ใจนิ่งใจสงบใจว่างใจเบาสบายยังมีความปรารถนาจะไปเอาอะไรไอ้นี่มันเป็นกิเลสตัณหาไม่สิน้นแม้แต่มียังมีความปรารถนาจะไปเอาพนิพพานเอาโสดาบันเอาสากิทาคามีเอาอนาคามีเอาอารหันมันก็เป็นกิเลสตัณหาที่ต้องวางลงแต่ยังไม่ดับความอยากความปรารถนาไม่ดั บ, ดบก็ไม่ดับกิเลสตัณหามันก็ไม่สามารถที่จะเป็นนิพพานได้นิพพานมันคือดับกิเลสตัณหา ดับความจะไปเอาดับมีตัวเราจะไปเอาอะไรจะไปได้อะไรไปเป็นอะไรไปถึงอะไรดับที่ใจดับที่ใจสนิทก็ดับหมดเหมือนดับดับสวิตดับคัตเอาใหญ่ที่สเตชันที่สถานีจ่ายไฟใหญ่พอสับคัตเอาใหญ่นั่นแหละไอ้ที่จ่ายไฟไปตามสายต่างๆก็ดับหมดกิเลสทุกสาขาดับหมดเลยดับความอยากดับความอยากความปรารถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนิจจาโตบรินิพุโตเี่ย ดับความอยากความปรารถนาสนิทไม่มีส่วนเหลือจิตวิญญาณก็ดับหายไปเหมือนด่งเปลวไฟที่สิ้นเชื้อไม่มีตัวตนรูปร่างเหมือนปร่งแสงเหมือนเหมือนตัวเราออกกระเด็นมาจากล่างมาอีกไ้ยมทูตเอาสามง่ามมาแทงเข้าไปมาลากไปถูรูถูกกลางเจ้ากรรมเวรทั้งหลายบาปกรรมเวรทั้งหลายก็ไม่อยาจให้ผลได้เพราะหายตัวไปหมดแล้วจิตวิญญาณหายตัวไปเหมือนดังพระโคติกา พรโคติกาตายแล้วจิตวิญญาณก็หายไปโยมทูตจ้าเอาไปเอาจิตวิญญาณของพระโคติกาไปลงโทษอ้าวหาไม่เจอเอ๊จิตวิญญาณของพระโคติกาหายไปไหนหายแวบไปเลยไปถามพระพุทธเจ้าตามทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระโคติกาบรรลุอรหันต์แล้วอบรรลุวัฏฏิภานแล้วจิตวิญญาณดับไปเหมือนด่งเปลไฟที่ชิ้นเชื้อชิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นแล้วชิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีเรามีตัวเรามีตัวตนของเราแล้ว ที่เอาตัวเราไปลงยึดบ้านสิ่งใดแล้วที่นความลงยึดบ้านว่ามีตัวเรามีตัวตนของเราก็ไม่มีตัวเราไปยึดอะไรให้ไปกินเล่นแล้วเป็นความทุกข์มันยังไม่ไม่ตรงนี้มันยังเข้าไม่ถึงเลยเพราะว่ามันเมันส่งจิตออกนอกหมดมันไม่ได้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใ จ, ใจไปวางที่ใจฝากเร็วใจเร็วความคิดเร็วก็เกี่ยวพัวผ่านลูกหลานก็เกี่ยวพัวผ่านญาติ พ, พี่น้องอที่เขาคิดคิดแทนเขาจิตมันส่งออกนอกหมด อันนี้มันไม่ได้สติตั้งที่ใจดูที่ใจดูละที่ใจของเราแต่ม we ันมันไปอยู <SPEAK iens Creator> kind of ่ที่คนอื่นหมดพอไปอยู่ที่คนอื่นหมดมันก็หมดโอกาสที่จะมาละที่ใจของเราดับที่ใจพอใจมันไปอยู่ในคนอื่นหมดอันนี้มันส่งจิตออกนอกส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์เนี่ยจิตเอ็นจิตยแจมแจ้งเป็นมรรคผลในจิตอย่างแจมแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจแล้ที่ใจปลจ่อยวางความอยากความปัจฉนาที่ใจดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนิจจาโตบริณนิพุตโตเนี่ยดับความอยากความปัจฉนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเนี่ยตันหักขโยโญนิโรโทโหโ ต, ติเนี่ยตันหาหักสะบ้านขาดสะบ้ น, บนดับกดดับสนิทก็พนจากทุกข์ดับทุกข์ได้อานที่ใจอ่ะ อ่านใจให้ขาดดับที่ใจรู้ที่ใจดับที่ใจรู้ที่ใจดับที่ใจดับความอยากความปรารถนาที่ใจมันจะไปดับที่คนอื่นนะมันจะไปยุบวุ่นวายคนอื่นอยากใหเขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้มันดับที่ใจเราที่ไปที่อยากไปยุบวุ่นวายคนอื่นดับที่ใจเราอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นมันดับที่ใจเราที่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าไปไปดับที่เขา ไปยุ่งวุ่นวายที่เขาอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้มันดับที่ใจเราไปที่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้มันดับที่ใจเราที่เขาไปอยากกับเขาไปอยากไปวุ่นวายกับเขามันดับที่ใจก็จบที่ใจดับที่ใจก็ดับหมดเนี่ยดับดับที่ใจไม่ได้ก็ดับไม่หมดเพราะไปดับที่เขาพยายามจะไปดับไปจบที่เขามันจบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมจบแต่ละคนเน่ะ เราไปจบที่เขาไปดับที่เขาให้ดับที่เขาไม่ได้เราให้ไปจบที่เขาไม่ได้ ian, ใจเขาเป็นอย่างนี้ใ้เขาเป็นอย่างงี้เขาเป็นอย่างนี้อยากเขาเป็นอย่างนั้เป็นอย่างงั้นอยากเป็นอย่างนี้มันเป็นยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของเขาย่งคนนู้นเรื่องของคนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีเมตตากรุณาเขามีเมตตากรุณาแต่ไม่เอาใจไปผูกพันเมตตาก็เมตตาอยู่กรุณาก็กรุณาอยู่แต่ไม่เอาใจไปผูกพันด้วยไม่เอาใจผูกพันด้วยทุก ผูกพันกับใครผูกพันกับสิ่งใดเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ผูกพันด้วยไม่ทุกข์เมตตากรุณาอยู่แต่ไม่ผูกพันอมช่วยหลวงตาเหมือนกันหลวงตาก็ช่วยผูกพันช่วยสอนช่วยญาติพี่น้องช่วยลูกศิษย์ประชวยผูกพันต้องช่วยสอนไอ้มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีวันไหนไ ม, มงนีงานเงินกระจายให้อีกต่างหากเงินกระจายให้สอนด้วย อปอเพื่อชปฏิบัติธรรมมาช่วยงานเล็กเน้อยเพื่อพืชปฏิบัติธรรมเป็นหลักความพนทุกข์เป็นหลักเน่ะเป็นทองไม่มีงานไม่ได้ทําจ่ายเงินได้ด้วยต้องช่วยสอนด้วยไม่ให้มันเดือดร้อนอันทอนใจเลยปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยนําคัญไม่เอาจริงอันเนี่ยเอาเอาจริงจริงมันพ้นทุกข์ได้จริงควันนี้เราก็โพสต์ไปเรื่องหนึ่งที่ของแม่ชีอะไรแม่ชีชื่อนาหลีอะไร เนี่ยที่ทันยอมรับกันหมดมดรรลุอรหันต์ผู้หญิงก็บรูุ้อรหันต์หลายคนนะเป็นที่ยอมรับเนี่ยไม่ชีแก้วเลยไม่ชี้อะไรนารีหรืออะไรจำจำไม่ได้ที่โพสไปเรื่องหนึ่งแล้วก็ไม่ชี้อะไรหลายหลายคนพนิมพาด้วยอะไรแล้วก็กอเขาต้นหลวงก็เป็น ท, ที่ยอมรับว่าม่านบรรลุแล้วขนาดที่ไม่ได้บวชเป็นพิจิณะเป็นอะุบาติกากอเขาต้นหลวงแล้วก็ น้องสาวองตาหาบัวก็ไม่ได้บวชเป็นชีเรียกว่าคุณแม่จันดีก็ยอมยอมรับว่าเปู้ลอลานเพราะผู้หญิงก็เป็นูกอลานได้มันจะเป็นต้องบวชเป็นชีก็เป็นลู้อลานก็เป็นเอะแยะัขาดตัวเอาจิงนะนั่นแเอาจิงอ่ะมันส่งจิตออกนอกไปยุ่งกุมใจเขาหมดนะไปอยากเเป็นอย่างนั้นอยากเข้าเป็น อ, อย่างี้ผู้ห่วงใยเขหมดใจไม่อยู่กับตัวเลยใจไม่อยู่กับตัวมันมีแต่ส่งจิตออกนอกไปห่วงใยคนนั้นคนนี้คนนี้ เวลาเราจะเป็นจะตายหายใจคลอกคลอกคลอกก็เสือกกระสนดิ้นลนทุลนทุลายไปท่าแตกโอ้ยต่อให้ใครมาลุมอยู่ข้างเตียงให้ตายอ่ะไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องมันลุมอยู่ข้างเตียงไม่มีใครช่วยเราได้แล้วตอนนั้นมีแต่กระเสือกกระสนคนเดียวนี่หายใจคลอกแข่คลอกแข่คลอกแขกจะตายไม่ตายแหล่งดิ้นทุลนทุลายกระเสือกกระสนอยู่คนเดียวนั่นแนะที่ตอนนั้นน่จะเอาใครเอาอะไรเป็น จะ อ, อะไรอ่ะให้ใจอ่ะใจเป็นธรรมไหมมีใจเป็นธรรมไหมมีธรรมเป็นใจไหมใจอยู่กับธรรมธรรมอยู่กับใจไหมอ่ะหรือไปอยู่กับอะไรก็แคลกอกแคลกตอนนั้นเน่ยโอ้ยมันลุมอยู่เราห่วงเขามากเลยตอนเราจะตายเขามายืนอยู่ข้างเตียงช่วยอะไรเราได้เมื่อไรไม่ใครช่วยได้เอาไปก็ไปไม่ได้พาเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยแค่ไม่ได้ไมีแต่มาห่วงทําให้ห่วงเป็นทุกข์อีกต่างหากให้ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอะ เป็นใจที่ปล่อยวางสิ้นความอยากสิ้นความยึดถือไม่เอาอะไรไม่เหลืออะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นแหละไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยดับความอยากความปรารถนาสนิทไม่มีสัวเหลือในใจเราดับที่ใจมีหน้าที่อะไรก็ทำไปให้มันทำประกอบอาชีพโดยชอบไม่อยามีบ้านมีองค์แปดเนี่ยมันประกอบทุกอย่างให้มันชอบหมดมีปัญญาเห็นชอบคิดชอบพูดชอบกระทาชอบประกอบอาชีพชอบ มีความเพียรชอบมีส ต, ติชอบมีสมาธิชอบชอบหมดเลยอ่ะมีปัญญาเห็นชอบต่อไปก็คิดชอบพูดชอบประทับชอบประกอบอาชีพชอบในเรียมากมีองแปดเนี่ยทพุทธเจ้าตัดเนี่ยกลจะถึงวันอาสาหาบูชาเนี่ยจะเข้าบรรษาแล้ววันที่แปดนี่นันแนก็สอนในเรียมากมีองแปดเนี่ยพุทธเจ้าสอนบรรจวกีทั้งห้าบรรลุอรหันต์ เอาพ ja er ี men, men, men, men, men, men time, did, him, ่นายลงมาเข้าดูที่ใจของเราอะมันไม่ไม่มันไม่ละปล่อยวางสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจมันไม่ยอมละปล่อยวางที่ใจมันเอาใจเราไปไปปล่อยไปอยู่กับคนอื่นไปชื่ยเขาคิดคิดแทนเขาหมดไหมอืมเอาใจของเราไปช่วยเขาคิดแทนเขาเลยเมตตากรุณาช่วยเหลือเขาแต่แต่นี้เอาใจไปผูกหมดเลยช่วยเขาแต่ไม่เอาใจไปผูก นี่ช่วยเขาแล้วเอาใจไปปลูกหมดเลยอันนี่ยตัวเราก็จมน้ําตายจมทะเลทุกช่วยเขาด้วยตัวเองก็ตกจมทุกข์ด้วยอย่างเงี้ยมันห่วงใ ย, ยไปหมดห่วงใ ย, ยจนกระทั่งตัวเองก็จมทะเลทุกไปช่วยใครไม่ได้ที่สุดแล้วแต่ว่าตายตายไปด้วยควากระจมไปกับทะเลทุกแบบเนี้ยพิมาีณาเข้าเนี่ยตติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจดูว่าใจเราเนี้ยมัน ไปเชื่อเขาคิดคิดแทนเขาหรือเปล่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาหรือเปล่าไปห่วงใ ย, ยไปกังวลเขาเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนั้นอยากเขาเป็นอย่างนี้วุ่นวายไปหมดเลยส่งจิตออกนอกตลอดเวลาเลยพอใจแม่พูดถึงมาแต่พัทลุงเนี่ยเนี่ยฟังคนถึงเขาแล้วเป็นไงเอากลับไปปฏิบุริปฏิบัตินะอเอากลับไปอ่ะให้ปล่อยวาง้าง ปล่อยวางได้ไหมล่ะจุนพอเนี่ยไปแต่จุมพอเนี่ยปล่อยวางไห้อ่ะกลับไปมันจะไปห่วงใยเขาอีกนะแล้วไปแล้วจบไปแล้วทั้งรักทั้งช่างอ่ะถอนไม่ได้หมดแล้วไปติดรักติดช่างติดสาบแช่งติดอะไรกดน้ำความขันอะไรก็ไม่เอาแล้วเขาไม่มีใหม่แล้วก็เลิกแล้วเขาไม่กลับมาแล้วไปแล้วไปรับไม่กลับมาแล้วสามีเขาไปมีใหม่แล้วเลิกตัวที เลิกขวงใหญ่เลิกเกาะเกี่ยวเลิกพัวพันทันทีก็ไปแล้วก็แล้วไปรับไปเลยไปกลับมาแล้วใจของเราไปทุกข์อยู่นั่นเนี่ยอืมเอาทําเป็นที่พึ่งไม่ใช่เอาสามีเป็นที่พึ่งเอาทําเป็นที่พึ่งเอาทําเป็นที่พึ่งก็ไปแล้วก็ปล่อยก็ไปอนุโมทนาเขาเขไปแล้ว เอาไปนโมทนาเข้าไปหมดบุญกุศลกันแค่นี้มันทํากันมาแค่นี้บุญและบาบันทำกันมาแค่นี้ก็จบไปลงแค่นี้ก็ไปมีใหม่แล้วก็ปล่อยเข้าไปบุญต้องบุญต้องบาบุญกุศลอะไรตามกันก็มีมันจบไปแล้วมันทํากันมาแค่นี้ก็จบลงแค่เนี้ยไม่มีเหตุบังเอิญอะไรในโลกหรอกพอใจไปกาะเกี่ยวบัวพันมีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์